อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนํารายการธรรมารบาบุรุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเชา้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุศักราชสอค่ะวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็คือว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยก็ ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดชุดเชยวันฉัตรมงคลสําหรับหลายๆท่านก็คิดว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่ขึ้น15บห้าค่ำก็คิดว่าคงมีพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านได้ไปเข้าวัดฟังธรรมกันนะคะให้เป็นสิริมงคลกับเราและถ้าหากว่าไปไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นอย่างที่พระอาจารย์ไบบุญอภิปุนโนพระอาจารย์ประจํารายการของเราซึ่งเป็นองค์ปาชญ์ถกนีนะ่เคยบอกนะคะว่าก็สามารถปฏิบัติ บูชาได้ด้วยตัวของเราเอง ท, ที่จะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่สําคัญที่จิตเราเท่านั้นเองนะคะค่ะเนื่องจากว่าในวันพุธที่จะถึงนี้จะเป็นวันเพืุชมงคลจรวดพระนางคาันแรกนาขวัญค่ะก็คิดว่าเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของอพี่น้องกเกษตรกรในบ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมามากมายเลยดังนั้นในเช้าวันนี้รายการธรรมาราบารุณดิฉันก็อยากจะข อ, อนะนำท่านผู้ฟังม า, าสนทนากับ ท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิพุพ โ, นโนนะคะซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์งองค์ปาถกประจํารายการเราค่ะก็จะพูดกันในประเด็นใด น, นั้นเดี๋ยวตามไปรับฟังจากพระอาจารย์เองเลยดีไหมคะนํามากราบนมัสการเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไพบุญเจ้าขาเชียนพาสาธุเจ้าค่าะ สำหรับที่โยมเกินมาเมื่อสักครู่นี้เนะจ้าคะ่ะคิดว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของพระราชพิธีจริญพระนางคันแรกนาขวัญในส่วนที่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาราว่าในพุทธกาล น, นั้นมีหรือไม่อย่างไรเนี่ยโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญอภินอโนเจ้าคะ่ะได้เมตตาที่จะสรุปในสิ่งที่เราได้ ส, ดสนทนากันมานะเจ้าคะ่ะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วจนกระทั่งมาถึงสาวเมื่อวานนี้เจ้าคะ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องคําสอนของพระเจ้าที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงที่เกี่ยวกับเรื่อง องการวยพรให้พรอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะทุกคนเจ้าค่ะก็เราได้พูดถึงคําสอนพุทชาที่แท้จริงอย่างเช่นว่าบางคนบอกเออฉันไปทําบุญแล้วต้องเราให้พรให้พรถึงจะได้บุญนะนี้เราก็ได้คุยกันไปนิดนึงแต่แต่จะมาขยายความให้ให้ชัดเจนขึ้นไปในวันนี้อีกว่าเวลาเราให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติเราทําบุญด้วยการให้ทานนะคืออามาต้องใช้คํานี้ให้ถูกต้องกุญใจสมมติเราบอกว่าทําบุญทําบุญทําบุญต้องระบุชัดเจนว่าคุณทําบุญด้วยระเบอบรัย ระบบด้วยการให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญเจริญภาวนาก็เป็นบุญทั้งนั้นดูแลพ่อแม่ลวดนวดเท้าให้พ่อแม่อย่างเงี้ยนะก็ยังเป็นบุญเข้าใจไหมบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเออคุณทําบุญทําบุญวันนี้ฉันทําบุญแปพันหนึ่งอ่าคุณต้องพูดว่าวันนี้ฉันได้ทําบุญด้วยการให้ทานเป็นหนึ่ันบาทอย่างเงี้ยอ่าแล้วเดี๋ยวสาวที่นี้ฉันจะไปทําบุญด้วยการรักษาศีลนะอ่าเดี๋ยวก็ปลายปีนี้ฉันจะปทำบุญด้วยการนั่งสมาธิสักััันนนนะะอออย่่าาางงงี้้้้้ืมมจจจเเรไดขใใกกหถูต ทีนี้อย่างการให้ทานอย่างเงี้ยถามว่าเมื่อให้ก่อนให้ในคุณได้บุญแล้วนะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาระหว่างให้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงศรัทธาเนี่ยเกิดก่อนระหว่างและหลังใช่ไหมถ้าองค์ประกอบตรงนี้ครบบุญนี่เกิดตั้งแต่ก่อนให้แล้ววันนั้นก่อนให้บุญคุณเกิดแล้วสมมุติคุณจะไปใส่บาตรพระอย่างนี้ใช่ไมั้งแต่คุณเตรียมอาหารหรือไปซื้ออาหา ร, หา ร, หารถุงเนี่ยเออวันนี้ฉันจะให้พรุ่งนี้ช้าฉันจะใส่บาตรพระแล้วกันจีบคุณเป็นบุญแล้วเดี๋ยวนั้นเลยคุณตืน่นใจก็ใช่ไหม คุณคเป็นบุญแล้วเดี๋ยวนั้นเลย้ ต, ตั้งใจว่าจะไปทำตันะ้งแต่ตอนเย็นนั้นแล้วเจ้าค่ะะเราก็ตื่นเช้ามาเาเดี๋ยวทํากับข้าววันนี้กับข้าวไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปซื้อดีกว่านั่จิตก็เป็นบุญแล้วนะวอืมเจ้าค่ะแล้วให้ระหว่างให้เดี๋ยวคุณมีศรัทธาความตาระหนี่น้อยโอน้นี้ดีกว่าเผื่อว่าให้พระฉันได้นี่ดีกว่าเผื่อจะได้ถูกท่าของพระะอ่ให้ไปเสร็จปุ๊บเอานี้ก็เป็นบุญอย่างละนะเจ้าค่ะกลับมาตอนเย็นเออเราซื้อไอที่เราให้พระฉันดีกวว่่่าาเือ เออได้ระลึกถึงบุญของเราอันนี้ก็เป็นบุญอีกนะจริงหรือเปล่ามั้ยที่ได้ซื้อถวายพระไปเราเอามากินเองบ้างนซื้อเพิ่มมาเติมมาอันนี้ก็เพื่อที่ระลึกถึงบุญของเราอันนี้ก็เป็นบุญอีกนะเจ้าค่ะเพราะก่อนระหว่างและหลังนี้มันเกิดตลอดเลยอืมเจ้าค่ะแในทีนี้มันก็คือความสุขใจนช่ใช่ใช่ไม่ใช่จําเป็นว่าต้องให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมารับรองว่าบุญเราเกิดนะเพราะว่ามันอยู่ที่ใครอ่ะมันอยู่ที่จิตเราจริงอกป่ามันไม่ได้อยู่ที่จิตเขา เพรา ะ, ะนั้นไม่จําเป็นต้องให้พระมารับรองหรอกว่าเออคุณได้บุญแน่นอนโดยการให้พรไม่ใช่น ะ, ะที่พระทำเนี่ยคือการอนุโมทนานะซึ่งอนุโมทนาบางทีก็ไม่ต้องทําก็ได้พระเจ้าก็ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องอนุโมทนานะพระสงค์ทุกรูปเวลาเขาให้ทานคุณไม่ใช่นะจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจพระสงฆ์นี่ไม่มีการอนุโมทนานะออืะแต่สมมตินิมนต์ไปฉไันในบ้านอย่างเงี้ยฉันล้ก็เพลนเลย<อ>จน ก, กระทั่งจริงจริง คือเอาเอาบาดไปแต่ละคนละท่านเอาบาดไปเขาใส่บาทมาใส่อะไรมันก็กินกินกินเสร็จแล้วก็เพ่แต่นะทีนี้คนก็เลยเอ้าทำไมไม่พูดอะไรเลยเหรอพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอางั้นก็จะอนุมโมทนาก็ก็สามารถทําได้แตนะทีนี้พอถัดมาก็เลยมีพระองค์หนึ่งจะเขาเรียกปวดท้องหนักปวดหนักอะ่ะจนกระทั่งไส้แบบมีปัญหาคือไม่ได้ถ่ายเก็เลยมีปัญหาว่าเอางั้นเวลาจะอนุมโมทนาต้องรูปแบบเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยกําหนดว่าจะทําพร้อมกันก็ได้ จะให้คนหนุนหน้าทำก็ได้หรือว่าจะให้รูปใดรูปหนึ่งที่มอบหมายทําก็ได้อย่างบางที่เราเห็นเนี่ยพระสมัยปัจจุบันเนี่ย อ, ององนำเนี่ยจะสวดก่อนใช่ไหมว่าอะไรพูดอะไรอ่ะยถาวารีวหาอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นอนุโมทนาในบุญที่คุณทําอืมเจ้าค่ะทีนี้ปร ะ, ะเด็นก็คือว่าจะทําก็ได้ไม่ทำก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ข้อตกลงของสถานที่ที่นั้นอืมเจ้าค่ะแต่โดยมากมักจะเป็นประเพณีที่ว่า เหมือนกับเป็นสิ่งที่บรรดาโยมทั้งหลายนะเจ้าคะมเมื่อเราทําบุญไปแล้วเนี่ยเราก็ชื่นฉ่ำหัวใจแหละก็เลยอยากจะให้พระท่านได้เหมือนกับคําท่านอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะพวกบรรดาพุทธศาสนิกชนก็คิดว่าอันนั้ น, นะคือคําพรที่เป็นมงคลใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณีว่าถ้าเราทําบุญแล้วก็ พระท่านก็จะอนุโมทนาบุญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะออันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกไงคือคือบางทีที่อาจมาต้องพูดประเด็นนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าบางทีพระไม่ได้ให้หรือให้แล้วไม่เต็มหรือให้ไม่ได้จบมีเหตุการณ์อะไรทาให้ไม่ได้ให้มีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ได้กรวดน้ําแล้วทําว่าทําให้จิตเราเป็นมนทินอันนี้คุณอย่าเป็นอย่างนั้นไงเจ้าคะเจ้าคะบางทีให้บทที่เราไม่ชอบบางทีรีบเกินไปอุ๊ยวันนี้พระไม่ได้ให้พรหรือบางทีไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะเกิดอย่างนั้นขึ้นนได้ คุณอย่าให้ทานของคุณเนี่ยเศร้าหมองก็แล้วกันเจ้าค่ะอันนี้คือเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยเจ้าค่ะคืออย่าไปยึดติดกับพวกนั้นใชไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่าแล้วแล้วที่ถูกต้องระบบที่ถูกต้องคือแค่นี้เองนัคือว่าเราให้รับคือจบได้บุญแล้วทั้งก่อนระหว่างและหลังแต่ทีนี้ไอ้คาว่าให้พรให้พรนี่มันคืออะไรนะก็คือการที่ได้อนุญาตตั้งแต่เองในเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเลยอ่ามีวาสิกาท่านหนึ่งมาขอพรุทธเจ้าบอกว่าขอให้ ถวายทานในสงฆ์นะด้วยผ้าชนิดนี้ชนิดนี้ชนินี้พุทธยาบอกอ่ะจะให้พรเธอนักก็คือขออนุญาตและพุทธยาก็อนุญาตเข้าใจไหมสมมติมีคนบอกอ่ะพระสงค์มาขอเพราะพุทธยาบอกอ่ะขอไปดิกเล่นวิเวกที่นี่นะพุทธยาบอกอ่ะให้พรเธอก็คืออนุญาตอนุญาตให้ไปได้ใช่ใก็แค่นี้เองนะหรือบางคนมาขออย่างมาขอบวชอย่างเงี้ยพุทธยาก็บอกเออให้พรคือคืออนุญาตนั่นแหละคือง่ายๆนะคือการให้พรคือการอนุญาต เพราะนั้นสมมติว่าถ้ามีสิ่งใดที่เราให้ได้นะสมมุติมีคนมาขออดอกไม้จากวัดนะเราอันนี้พอจะให้ได้แล้วก็อ่ให้พรก็คือคือเธอได้รับอนุญาตไปก็คือจบแค่นี้เองส่วนใหญ่ภาะก็จะไม่มีสมบัติอะไรนอกจากมาขอบาทซึ่งก็มีอยู่ใบเดียวอ็คงจะให้ไม่ได้สมมุติแต่ถ้ามาขอเช่นขอศีลเราให้ได้เจ้าะนะนแต่ศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องมาขอนะถึงจะให้ คือถึง <Okay. S 1> จะรักษาได้บางคนต้องมาข อ, อต้องสมทานศีลห้าถึงจะรักษาศีลห้าได้โอ้ยศีลมันคือความเป็นปกตินะอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่มือเราอยู่ที่กายเราอืมอยู่ <จ uk S 1> ที่ปากเราเพราะฉะนั้นเราจะทํามันก็อยู่ที่เธออ่ทีนี้อย่างยางสมมติคนมาขอศีลจากพระนี่นี่จะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยการขอพรกับขอศีลนะนะ่พระก็จะให้พรในเรื่องของถ้าคุณมาขอศีล น, นะโดยการที่อธิบายให้คุณฟังว่าศีลเป็นอย่างนี้ ข้อที่1นึ่งนะคือเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์นะเป็นผู้วางศารตราและอาวุธส์ทั้งหลายเสียเป็นผู้มีความกรุณาบังความอินทร์ในสัตว์ทั้งหลายนะเธอทำอย่างนี้ได้ไหมอ่าข้อ2น ะ, ะเว้นขาดจากการเตะทรัพอยอ์ ม, มั่นจ้า ข, ของไม่ได้ให้นะจากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามด้วยอาการของคนขโมยนะอย่าทําน ะ, ะต่อไปข้อ3การการะเพื่อผิดในในกามนะในหญิงที่เขารักษาอยู่นะอย่าทํานะข้อ4การพูดโกหกนะเช่น ว, ว่าการที่แกล้งกล่ายให้ผิดก่อโทษอ่าผิตต่อโลกเห็นบอกว่าไม่เห็นอย่าทนะํางงนะยังไง อธิบายให้เขาฟังค่ะเ <Okay. S 1> นี่ยก็คือเป็นการให้พรเข้าใจไหมอธิบายให้ฟังอนุ ญ, ญาตให้ฟังบางคน <Okay. S 1> งก็จะคิดว่าต้องต้องต้องให้พระทำเท่านั้นนะไม่ได้เดี๋ยววันนี้ฉันรักษาศีลแปดเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องไปลาศีลก่อนโอ้ยอมันมันไม่ใช่อย้างนั้นก็จ๊านะคือมันอยู่ที่จิตของเราเราจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ทําจนเป็นปกตินั่นแหละศีลแปลว่าความเป็นปกติอย่างเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อย่อยางเงี้เป็นประเด็นที่ว่าเรามาคุยกันได้ว่าเออจริงๆแล้วคําสองพระเช่าคืออะไรอย่างเงี้ยนะ ที่ถูกคืออะไรที่ที่ผิดคืออะไรที่ที่ยังยังปฏิบัติกันไม่ถูกเนี้ยแล้วพอเราไปติดยึดกับพวกพิธีกรรมมากเนี้ยมันก็ทําให้เอบางทีมันมันเป็นปัญหาในการปฏิบัติคนนี้ชาวอย่างงั้นอีกคนหนึ่งที่หนึ่งเอายงี้มันก็เลยจะเป็นเรื่องให้ทุ่มเถียงกันก็เมาละเมาศาสนาอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะอ่างานบุญก็เลยไม่ได้บุญกันนะใช่บางทีไม่ใช่ศาสนานี้ทะเลาะกับศาสนานนั้ศาสนาเดียวกันเองทะเลาะกันเองเจ้าค่ะอ่า มันก็เลยเป็นเรื่องเมาขึ้นมาเรื่องที่แบบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเป๊ะๆเลยเนี่ยนะแม้มันจะมีแต่เรื่องที่สอดคล้องกันไปในแนวทางเดียวกันนะและบุญเรื่องบุญกุศลก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแตนะ่พุทเจ้าจึงบอกว่าอย่า ก, กลัวต่อบุญเลยนะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งกุญแจใจที่อารมาบอกเมื่อวันนั้นบอกว่าไอ้บุญนี่เป็นของไม่เที่ยงนะบุญมันมันหายไปได้นะเธออย่าประมาท<จ>นะ<จ>ในบุญนะทําให้บางคนกลัวบุญว<จ>่าเฮ้ยฉันไม่ทํำหรอกฉันเอานิพพ ถ้าคุณจะเอานิพพานโดยในนิพพานไม่มีบุญนะคุณเตือนใจนี่เอาไหมโค่ะเพราะบุญเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นในนิพพานบุญก็มีมีบาปว่าไม่มีสิ่งที่เป็นอาบุญพระเจ้าจึงบอกตรงนี้เป็นอาบุญไม่ใช่หมายถึงบาปนะแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีในบุญในนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวนะเลยไปกลัวบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขให้ทําแต่อย่าเมาเรืมาอย่าเมาบุญเพราะมาบุญแล้วกิเลสมันเกิดกิเลสมันเกิดบุญก็ได้น้อยลง อืมเชียค่ะก็จะทําให้เหมือนกับมันเสื่อมไปนิดนึงนะเจ้าคะแทนที่จะได้บุญอย่างเต็มร้อยเซก็เลยจะพลอยทําให้บุญของเรามัหมองไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยงั้นถ้าบุญเนี่ยเป็นโทษมีโทษนะเราจะพูดไม่ไม่ถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนแต่พระเจ้าส อ, สอนให้สร้างบุญนะแต่ทําจิตให้บริสุทธิ์ด้วยนะไอ้ตรงทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคือเธอต้องเข้าใจว่าบุญเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะ โทษของบุญมีคือความที่มันไม่เที่ยงน ะ, ะ, ะประโยชน์ของบุญมีคือมันทําให้เรามีความสุขนะเหตุเกิดของบุญคือผัสสะวิธีการสิ้นไปของบุญรนะดับบุญได้นั่นะก็คือตามมรรคแปดก็ใช่ไหมเพรา ะ, ะถ้าเราทําปฏิบัติตามนี้แล้วนะเราจะเข้าใจบุญอย่างถูกต้องบาปเราไม่ทําแน่นอนอนะบุญคุณก็มีโทษก็มีโทษคือไม่ใช่ว่า ม, มันมีแล้วไม่ดีนะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้นี่คือโทษของเขาแต่ถ้าเราเข้าใจระดับนี้แล้วเราก็อย่าไปยึดในบุญ เราทำอยู่แต่ถ้าก็ทําให้ถูกต้องแค่นั้นเองเจ้าคแล้วก็ข้อสำคัญก็อยู่ที่จิตใจของเราที่ตั้งมั่นที่จะทําบุญอย่างไหนสุเมเจ้าคะก็มีทําบุญทั้งการให้ทานทําบุญทั้งอ่าประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพือนอ่าทำบุญทางการอ่านั่งสมาธิเรียกว่าปฏิบัติบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองใช่ไหมคะเจ้าค่ะที่คุณตื่นใจพูดถึงประเด็นนี้ดีมากเลย คือคือเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อบุญมันไม่ใช่เกิดแค่ระดับเดียวด้วยการให้ทานแต่มีศีลสมาธิปัญญาด้วยใช่ไหมทีนี้กิเลสเนี่ยคุณเดินใจว่ามันจะเอาเราสองด้านคนที่คิดได้อย่างนี้ปุ๊บนะโห้ดีแล้วงั้นฉันนั่งสมาธิอย่างเดียวประโยชน์สูงประหยัดสุดเงินไม่ต้องเสียเลยทําให้จิตมีความตระห น, นี่ออันนี้ไม่ถูกอีกแล้จิตคุณมีความตระห น, นี่ฉันเลยไม่ควักกระเป๋าเลยไม่มีการให้ทานน ะ, ะทําให้ตรงนั้นก็เสื่อมไปของมันแต่ว่าเราก็ได้บุญจากการนั่งสมาธินะ ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณจิตมีความตะนันนี่ด้วยความคิดว่าเออประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่ต้องเสียเงินอ่านี่คิดผิดคือตรงเนี้กิเลสมันเอาเราสองด้านเลยต้องระวังให้ดีอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้องระวังไม่อางนั้นก็จะเพลิงพรมได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ ะ, คะนเนาะเพราะว่าตรงเนี้พระเจ้าเคยบอกว่าพระอาหารที่ตัดสู้แล้วเนี่ยเป็นพระระยเจ้าเนี่ยบางทีก็มีทานก็มีเอเอไม่ถึงว่าพิพพร้อมด้วยปจัจจัยสก็มีบางองค์ก็ไม่พิพพร้อมด้วยปัจจัยสีเพราะว่าไม่ได้ให้ทาน เพราะนั้นทานมันก็จะมีผลของเขาในเรื่องปัจจัยศีที่จะเกิดขึ้นถึงแม้คุณจะเป็นรูปเป็นพระอะไรก็ตามออะืมเจ้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับผลบุญที่ได้ปฏิบัติมาแต่เดิมๆมาถูกต้องเลยถูกต้องเลยสมมติพระองค์นี่บางทีปฏิบัติศีลสมาธิอย่างดีเลยแต่ทานไม่เคยให้เลยเพราะฉะนั้นทําให้เขาก็เป็นผู้ที่เป็นพระอยู่เป็นพระอรหันต์ยุแต่ว่าไม่มีปัจจัยศีลมากอืมเจ้าค่ะอีกองค์หนึ่งทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ทําและเป็นพระอรหันต์ นะก็ทําให้เป็นทานให้ด้วยนะก็ทําให้เป็นผู้ที่มีราบปัจจัยสี่มากมแต่ก็<ร>เป็นพระรอะไรเหมือนกันเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีอลูกศิษย์ลูกขามากมายหลั่งไหลมาเคารพนับถือบูชาแล้วก็เป็นโยมอุปถาคอย่า ง, งานั้นถูกไหมเจ้าค่ะใช่อันนี้แสดงให้เราเห็นว่าบุญเนี่ยมันให้ถ้ามันไม่ไม่เสือ่อมคือหมายความว่ามันให้ผลของมันอ่าคือสมมุติเราให้ทานไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทานนั้นจะไม่ให้ผลนะก็ให้ผลก็ใช่ไหม เรารักษาศีลศีลนั้นจะไม่ให้ผลให้ผลไม่จะเป็นอย่างนั้นมันต้องให้ผลนะแต่มันก็เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะกับการตั้งใจปฏิบัติของเราด้วยจิตใจของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่พ่อพอพออาตมามาเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคุณจารุรู้สึกว่าสบายใจมากๆเลยเจ้าค่ะแล้วตอนสัยนั้นอาตมาอายุสิบเจ็ดปีอายุสิบห้าปีอายุสิบห้าปีเราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมบัตรประชาชนเราเขียนว่ารับนักสืศาสนาพุทธเนาะ เราไปเลือกตอนไหนเราก็งงจาค่ะตรวจสอบไปตรวจสอบมาเอ้าในทะเบียนบ้านเรามันมีพ่อแม่หล่อนับถือศาสนาพุทธนี่เราจึงมานับถือศาสนาพุทธโอ้ยอย่างนี้เราคิดเลยว่ามันมันไม่ยุติธรรมอืมเจ้าค่ะคือตอนนั้นสมัยเราเป็นเด็กนะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นเราก็แบบว่าคิดบ้าบอเราอะนะว่าเอ๊ะนี้มันไม่ยุติธรรมนะทำไมเราต้องนับถือตามพ่อแม่เราหรอแล้วศาสนาพุทธคืออะไรเราก็ยังไม่รู้เลยสมัยนั้นอนะไปยังไม่เข้าใจที่แท้จริง เราก็ไปศึกษาศาสนาศาสรรนาสรรนี่อะไรต่างๆเงี้ยก็เลยคิดว่าเออศาสนาพุทธนี่ก็พอจะเข้าใจอยู่ก็เลยนับถือไปก่อนก็แล้วกันนะจนกระทั่งว่าเรามาบวชเป็นพระคุณเดินใจแล้วเราเข้าใจลึกซึ้งอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้โอ้เราสบายใจอยู่นะในการที่<ช>เราจะนับถือคําสอนของใครคือศาสนาเนี่ยเราไม่แบ่งล่ะว่าใครเป็นศาสนาอะไรใครทําดีเรายกย่องนะใครทําชั่วเราก็ที่จะอถ้าเราบอกขอสอนเขาได้เราก็จะพยายามจะบอกสอนให้เขาทําความดีแนั้นเองจค่ะ นะแล้วก็ไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่แบ่งแยกกันก็สบายใจแบบนี้อเจ้าค่ะแต่ทีนี้ในปัจจุบันนี้ที่องค์พระอาจารย์ไพบรุณพิพุนโนนะเจ้าค่ะได้มาบวชแล้วแล้วก็ได้เป็นพระอาจารย์ที่ว่าเป็นผู้นวิการในการหลักสูตรฝึกอบรมของวัดป่าดอนไห่โศกซึ่งมีเป็นประจําทุกเดือนนะเจ้าค่ะและยิ่งจเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นี่ก็เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมดังนั้นพระอาจารย์ก็ อาจจะทําถึงสาม <จะ S 1> รอบ 3, ด้วยกันสรอบด้วยกันเจ้าค่ะซึ่งแต่ละรอบเนี่ยพระอาจารย์ก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าไม่ใช่ว่าให้โยมมาปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิไปพระอาจารย์ก็ไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์ก็ต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาปฏิบัติเหมือนคนปฏิบัติทุกอย่างเลยอันนี้นี่ไม่ทราบว่าพระาอาจารย์มองว่าในสิ่งที่ได้ดําเนินการมาเจ้าค่ะมีผลอย่างไรบ้างหรือว่าสิ่งที่เป็นผลบุญที่เกิดขึ้น มีอะไรอ่ะเจ้าค่ะโยมอยากจะขออนุญาตกลับไปถามตรงนี้เจ้าค่ะคือบางคนจะเห็นว่าการมาปฏิบัติต้องทําตัวให้ลําบากมันจะเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างเนี่ยนะคือเหนื่อยทางกายเนี่ยมันมันก็มีบ้างเมื่อยเมื่อเหนื่อยเน่อเราอ่านหนังสือแสดงทํำอะไงต่างมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่มันมันละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้นแหะคือคือจิตเรามันมันลึกลงไปเบาลงไปสบายลงไปแตกฉานขึ้นม า, าละเอียดลงไปพวกเนี้เป็นสิ่งที่ มุ้ยมันมันดีมากมันตื่นใจก็ใช่ไหมค่ะคืออย่างบางคนเนี่ยอย่างทํางานอย่างเงี้ยบางคนเห็นแก่แกรับแกนอนเห็นแก่เน็่แกเหนื่อยเห็นแก่ป่าแก่ทองเห็นแก่อะไรต่างๆพวกนี้เห็นแก่เงินแก่ทองเนี่ยคุณทํางานไปไม่ได้ค่ะทำงานได้นิดหน่อยๆย่อๆอยะเวลาพักก็นั่งแม่แช่แล้วก็เวลาทําอะไรก็คิดอะไรไม่ออกวเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะได้เงินเมื่อไหร่จะมีโบนัสอะไรต่างๆงานคุณไปไม่ได้ แต่ถ้าเรามาเพ่งเล็งมาเฉพาะเจาะจงมีใจจดจ่อยที่ตัวงานในอย่างเรายังมีความสุขใช่ไหมคือคนที่ทํางานแบบแม่แฉะไม่รู้เขาใช้คาว่าอะไรคุณตือนใจเออขอไปทีไม่ไม่ไม่กระตือรือร้นแบบนั้นเพราะว่าคุณมันเล็่เพ่งเล็งแต่ไอ้พวกสิ่งที่เป็นกรมคุณสิ่งที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆแต่ฮะเพ่งเล็งสิ่งที่เป็นตัวงานสิ่งที่เป็นเนื้องานจริงๆไม่แล้วให้เราไม่มีความสุข แต่ถ้าเรามาเพ่งเล็งสิ่งที่เป็นประโยชน์ อ, อ, อย่างตัวพระเจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นแก่เนตแก่ในแกนหลับแ ก, แ น, แ ก, แกนอนนะทำความเพียรอยู่เพราะอะไรหวังสัมมาสัมปวิยานหวังจิตที่บริสุทธิ์หวังจิตที่ใสสะอาดหวังจิตที่สูงส่งหวังจิต ท, ท, ที่ไม่มีกิเลสเลยแม้เราเพ่งเล็งอยู่ตรงเนี้ยอะไรเราก็ไม่กระเทือนเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทนได้มันก็มีเหนื่อยบ้างแหละเดี๋ยวมันก็หายแต่มันก็ยังพอทนได้ อนะทําให้กําลังความเด็ื่อยๆต่างๆมันมันไม่มีปัญหามันไปได้อย่างชาวนาเขาทานาคุณตือนใจเลยเพราะว่าเขาเห็นแก่ว่าผลผลิตที่ออกมานะมือจะดําเท้าจะเปือ่อนเหนื่อยจะหน่อยแดดจะร้อนไม่เห็นแก่เห็ดแก่เหนื่อยพวกนี้พวกนี้เป็นคนควรยกย่องเพราะเป็นคนที่มีความอดทนใช่ค่ะนะอย่างไม่ใช่ว่าพนัก ง, งานในในบริษัทหรือว่าในที่ทำงานนักห้งองแอร์เย็นๆนะจะไม่ได้เหนื่อยสักทีไหนก็เหนื่อยนะ อย่างบาอยู่งานอยู่ทั้งแอร์ประชุมอย่างเงี้ยอไปแสดงผลงานหรือว่าพูดในที่ประชุมบางทีเหงื่อแตกก็มีอืะแต่เขาไม่ได้เห็นแก่เน็ตแก่เหนือตรงนี้เขาเห็นแก่งานที่จะสําเร็จนึกหรอกเนาะค่ะเราเห็นอันนั้นอันนั้นไม่เป็นการสร้างสร้างสิ่งที่ดีงามเป็นบุญกุศลเช่นเดียวกันจิตใจเราตรงเนี้ยเป็นจิตใจที่สูงส่งค่ะจิตใจที่ไม่ไหลไปตามกิเลสไม่ไหลไปตามตัณหาความอยาก แต่อยู่ในอำนาจของความเพียรอยู่ในเส้นทางของมรตไม่ออกเนาะก็คืออริยมรตมีองค์แปดใช่ไหะซึ่งตรงนี้ก็จะพูดสรุปให้ท่านผู้ฟังฝังมรตอาริยมรตมองค์แปดเนี่ยคือเส้นทางนะขนทางที่ประเสริฐมีองค์ประกอบแปดอย่างคือืออาจมาตรงนี้เคยพูดผิดแล้วก็มีคนเคยมาบอกเราว่าเออขนทางแปดสายจริงๆไม่ใช่ขนทางสายเดียวมีอ ง, ออ ง, งค์คคประกอบแปดอย่างคือคือประกอบด้วยอะไรบ้า ง, งค่ะไปสู่ที่เดียวคือนิพพาน คือไม่ใช่ทาง8สายไปสู่8ที่ไม่ใช่แต่ไปสู่ที่เดียวคือนิพพานององประกอบสมมุติทางทั่วๆไปเนี่ยจะมีโคมไฟมีร่องหน้ามี เ, เส้นลายบนถนนใช่ไหมมีมฟุตบาททางคนเดินอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เป็นองค์ประกอบของทางที่ดีเช่นเดียวกันองค์ประกอบของทางไปนิพพานเนี่ยมีแปดอย่างนะเป็นทางเส้นเดียวคืออันแรกคือสามาธิฏฐิหรือความรู้ในอริยสัจสอันที่สองคือสัมมาสังกปะคือความดําริชอบ คือความคิดที่ออกจากกาลความคิดในทางไม่พยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนอันที่3คือสัมมาวาจานั่คือการพูดจาชอบไม่พูดโกหกไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะอันที่4คือสัมมากรรมตะนั่นคือการประบัติชอบการประบัติชอบนี่ก็คือการไม่โกหกเอ่อไม่ลักทรัพย์ไม่ประบัติผิดในการไม่ฆ่าสัตว์นะอันที่5คือสัมมาอาชีวะการที่เลี้ยงชีวิตชอบ เช่นการลี้ชีวิตใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโกหกการเอาขอมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากการล่อล่าด้วยลาบในะการชอบโกงพวกนี้ถือว่าเป็นสัมมาชีวะได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ4ีห้าอย่างนี้นะโจค่ะอันที่6คือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบความเพียรที่ไม่ใช่ว่าต้องไปลำบากทางกายแต่เป็นการความเพียรที่เอากิเลสออกจากจิตเอาอกุศลธรรมออกจากจิตนะเอากุศลธรรมที่อยู่มีอยู่แล้วก็ยังไม่มีเนี่ยเอาให้มันเพิ่มขึ้นเอาให้มันเข้ามานะแลักษณะนี้คือข้อที่หกข้อที่7นี่คือสัมมาสติ คือความระลึกชอบระลึกอะไรคือให้จิตเรามาระลึกถึงสิ่งที่ดีๆนะําไม่ให้ไหลไปในทางชั่วแตนะ่สมมุติเราอาจจิตของเราเนี่ยจะไหลไปชั่วบ้างคิดชั่วบ้างคิดบ้าๆบอๆบ้า ง, า ง, างใช่ไหมเราจึงต้องมีความระลึกถึงฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงให้จิตของเรามาระลึกถึงเรื่องดีๆนั้นะ <Okay. S 1> มีกายเวทนาจิตทำกูจะเอากายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ระลึกถึงให้จิตเนี่ย ไม่ใช่ระลึกในเรื่องชั่วๆแต่มาระลึกในเรื่องดีๆไงฮเจ้าค่ะแล้วอันที่แปดเนี่ยก็คือสัมมาสมาธินัคือการทําจิตให้เป็นหนึ่งให้จิตมีกําลังทําจิตให้เป็นหนึ่งแน่ๆมีกําลังตรงนี้ก็จะทําให้เห็นตามที่เป็นจริงได้จ้าค่ะจิตที่มีกําลังตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ไหลไปแหนงทางช่วงไงฮเจ้าค่ะนั่นคือสิ่งที่ทางพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้นะจ้าค่ะใช่ใช่ อ ย, อย่างนิดนึงคือสมมติคนมากระซิบข้างหูเราอะ่ะนี่นี่เธอทำงี้งี้สิเดี๋ยวจะดีนะซึ่งตรงนั้นไม่ใช่มกักงี้ใช่ไหมคนที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยจะมีกําลังจิตกล้าหารมีแข็งแกร่งจิตนะในการที่จะไม่ไหลไปตามาสมมตินคนเขาชวนเราไปกินเหล้าอย่างนี้ต่อให้คุณกล้ามเป็นมัดมัดนะเออไปก็ได้กินเหล้าก็ได้เพื่อนชวนมาไ ป, ไปทําชั่วเออไปก็ได้ชวนก็ได้จิตคุณอ่อนแอไม่ใช่ <S <S <S เป็นคนแข็งแกร่ง แต่ถึงแม่ร่างกายเราจะไม่แข็งแกร่งเราจะแบบป่วยๆนั่นบ้างหรือว่าร่างกายสู้ผอมแต่ถ้าเขามาชวนเราไปกินเหล้าเราไม่ไปเขาชวนเราไปทําไม่ดีเราไม่ทำํำนี่คุณมีกําลังจิตนะสมาสมาธิอืมเจ้าค่ะเป็น ต, ต้นนะอืจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยหมายถึงทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เป็นไ ป, นปนในทางที่ชอบที่ถูกที่ควรถูกไหมเค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะอ่ะคุณต้นใจในห้านาทีสุดท้ายเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของอ่า งานพุทธมงคล น, นิดนึงกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เ, เรื่องของงานพุทธมงคลเนี่ยถ้าเรามาดูตามพุทธวัจนะเนี่ยนะคือตั้งแต่<ช>ตอนที่พระเจ้ายุ่ยยังเด็กๆอยู่สมณโคโดมะตอนนั้นยังไม่บวชเป็นเจ้าชายศินธาเนี่ยยังเด็กๆอยู่อายุหกเจ็ดขวบนี่แหละก<ช>็ะไปงานราชแรกนาขวัญแห่งพระบิดาออแสดงว่าพระบิดาตอนนั้นเนี่ยก็ทํางานแรกนาขวัเหมือนกัน นะซึ่งโดยพระรัชกาลไม่ได้ระบุหรือลงรายละเอียดว่างานแรกนาะยขวัญต้องทํายังไงมีพิธีการยังไงใช้โคกี่ตัวทําอะไรบ้างนาใหญ่เท่าไหนกินอะไรอย่างนี้ไม่ได้ระบุแต่แต <Okay. S 1> ที่ระบุถึงความที่ว่าออพืชพันธุ์ข้าวจะโตหรือไม่โตมันมีเหตุอยู่นะซึ่งพระพุทเจ้าเคยตรัสไวงยงี้บอกว่าเถ้าเผือว่ามีพวกราชานะคือชนชั้นปกครองทั้งหลา ย, ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นข้าราชการทั้งหลายก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรม ถ้าขาราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยพราหมณ์ขรรดาบารีทั้งหลายคือคนทั้งหลายเนี่ยนะก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมแตเมื่อมู่ชนทั้งหลายเนี่ยคือพราหมณ์และขรรดาบารีทั้งหลายเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีการโคจรไม่สม่ำเสมอนะพอดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีการโคจรไม่สม่ำเสมอเนี่ยดาวฤกษ์และกดาวทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวงโคจรไม่สม่ำเสมอ พอดาวเร่กและดาวทั้งหลายม be ีวงโคจรไม่สม่ำเสมอเนี่ยคืนและวันก like ็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอพอคืนและวันมีวงรอบไม่สม่ำเสมอเนี่ยเดือนและปักก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอพอเดือนและปักเนี่ยมีวงรอบไม่สม่ำเสมอเนี่ยฤดูและปีก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอพอฤดูและปีเนี่ยมีวงรอบไม่สม่ำเสมอเนี่ยลมทุกชนิดเนี่ยก็พัดไปอย่างไม่สม่ำเสมอพอลมทุกชนิดพัดไปอย่างไม่สม่ำเสมอแล้วเนี่ยระบบแห่งทิศทางลมที่ถูกต้องเนี่ยก็แปรปลีน พอระบบแห่งทิศทางลมที่ถูกต้องแปรปรวนไปเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็ระสำประสายพอเทวดาทั้งหลายระสมประสายเนี่ยฝนก็ตกลงมาอย่างไม่สม่ําเสมอพราะฝนตกลงมาอย่างไม่สม่ําเสมอคุณเตือนใจเป็นเรื่องเลยพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกอย่างไม่สม่ําเสมอพอพืชพันธุ์ข้าวแก่และสุกอย่างไม่เสมอเนี่ยนะก็พอคนไปรับประทานอาหารประเภทนั้นเนี่ยก็ทําให้กลายเป็นผู้มีอายุสั้นมีผิวพันธุ์ทามทุกภารภาพแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากอืม คือตรงนี้คือปัญหาคือการที่ฝนตกยังไม่สม่ําเสมอแล้งบ้างน้ําท่วมบ้างเป็นเพราะว่าขาราชการทั้งหลายคนทั้งหลายเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมใช่ค่ะ<อ>เราจะมองย้อนไปอย่างนั้นเลยนะจ้าค่ะว่ามันเป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องกันอมืมันไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายอะไรไม่ใช่เป็นเพราะว่า เ, เ, เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นเพราะว่ากฎหมายอะไรนโยบายอะไรหรอกมันเป็นที่ว่าเราไม่ตั้งอยู่ในธรรม อืเจต่อให้คุณ<จ>แก้ยังไงก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุทางนั้นเลยคุณต้องมาแก้ที่รากเหง้าขอ ง, ของของนั้นก็คือกแก้ที่จิตนั้นเราจะทํางไงให้จิตของคนทั้งหลายนตั้งอยู่ในธรรมตรงนี้เราต้องสําคัญเราจะํานวยการยังไงให้ประชาชนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรนรม<จ><จ>แล้วไม่ว่าต่อให้พระโคจะกินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเตือนใจเสียงทายเจ่เสียเออกินเบียกกินถั่วกินหญ้าหรือกินอะไรเนี่ยกินนมเออถ้าเรายังไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะ มันก็จะมีบางบริเวณที่ท่วมบางบริเวณที่แรงนะส่วนอย่าอาจจะ ด, ดีก็ได้แต่ก็จะมีบริเวณที่มันแ ป, ปรปรวนนะมีระบบที่ไม่ถูกต้องะนะซึ่งทําให้คนโดยรวมเนี่ยมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะโรคอะไรต่างๆมากมายขึ้นมาเนี่ยตั้งปัจจุบันเนี่ยโรคที่ไม่เคยเจอก็เกิดขึ้นมาวิธีการแก้ยาอะไรต่างๆก็หายากหายไปอย่างเงี้ยก็เพราะตรงนี้ทางนั้นเลยอืมเจ้าค่ะอืมนี่คือเป็นพปริพันธอเจ้าค่ ะ, คะก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูญณภิปุโนโ ได้ฝากไว้ในเช้าวันอาทิตย์ที่หพฤษภาคมนี้ก่อนที่จะถึงวันเพื่อชมงคลจรวดพนางคารแรกนาขวานนั้นก็คือหยิบยกเอาสิ่งที่ในสมัยพุทธกาลสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังยังไม่ได้ออกพนวดนะเจ้าคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่มีพิธี ชัดจมงคลหรือว่าเป็นผู้จำงคลอย่างนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหมือนห่วงโซ่ต่อกันนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประชาชนทั้งข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายเนี่ยถ้าทุกคนในชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยมี อ, อยู่ในศีลในธรรมนะเจ้าคะทุ ก, กอย่า ง, งก็จะดีไปหมดทําให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองไปนะเจ้าคะถูกต้องเลยสาธุเจ้าค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารบปุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวนาันศุกร์ที่6พฤษภาคมนี้หมดเวลาลงแล้วลวคะค่ะคงจะต้องขอนําท่านผู้ฟังกราบนักศการขอพระคุณและกราบนัศกศึกษาลาพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษของวัดป่าดอนไหโ่โศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิตโตภโศหรือท่านพระครูสิทธิปภ า, ากรเป็นเจ้าอาวาส โดยตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะค ะ, ะดิฉันจะนำ รายการธรรมาราปรุลในช่วงของการสากัชาหรือสนทนาธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วส่วนในวันปกติวันทํางานนั้นก็ขอเชิญท่านฟังทุกท่านตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูณพิพุโนโองค์ปาถกประจํารายการธรรมาราปรุลได้เสนอพุทธพจนะดีๆที่จะให้แง่คิดเป็นมงคลแก่ท่านผู้ฟังกันเป็นประจําทุกวันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและก ร, ะะระาบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เช่นพานสาธุเจ้าค่ะ